เนี่ยคุณอย่าให้บรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้ที่ผู้สอนมันความสงสัยในการแสดงออกมาปัจจุบันคู่ปังจึงได้ผลได้ประดู๋เต็มกําลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินเรื่องของเราอยากแทบจะแต่เป็นเด็ก คุณผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่จะอยู่ให้ถึงด้วยญาติดีถึงตัวเองนําสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาถรรพ์พูดได้ตรงกับความจริงมากที่ได้ยินคําบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่าเพียงบอกเล่ามานี่หาผู้รู้คําจริงไม่มี กระนั้นถึงทําแม้จะมีน้ําหนักมากเพียงใดตามหลักธรรมชาติทั้งผืนก็ตามจะอาศัยผู้นํามาไม่แน่นอนภายในวิจัยออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้ว่าผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะออกความแน่ใจมาต่างหากผลนั้นความไม่แน่ใจทั้งผู้เล่าผู้ฟังก็คือ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเรียกกายเป็นเรื่องเทศน์เป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งโพธกาลท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศน์ก็ดีพระสาวกเทศน์ก็ดีเทศน์ถอดออกมาจากใจที่รู้จริงหีจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศน์อย่างถึงใจเพราะรู้คําจริงอย่างถึงใจการเทศน์จะไม่ถึงใจได้หรอก อเทม่เล็กน้อยขนาดไหนลึกซึ้งดับอย่างไรเค้าออกมาจากความรู้แล้วเห็นแน่ทุกอย่างผู้ฟังจึงได้รับผลประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันดังนี้มันมาครั้งผู้ในการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองทั้งว่าตัวข้ากระทํากับแล้วชอบแล้ ก็ปฏิบัติชอบแล้วยังน่ะน่ะตรงนั้นจะรู้ชอบตามหลักธรรมมันแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ท้อรู้ไม่ท้อเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบธรรมได้อย่างไรผู้ฟังจะจะรับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เกิดในตัวหนูได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ท่านขอให้ทุกองค์ทุกท่านได้ตั้งใจตนปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเอง ดังปฏิปทาในสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นหมดตั้งแต่ฆ่าปุฏฐานเพราะการปฏิบัติมีปฏิบัติทอกเท่านั้นที่จะสามารถลือฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างทักทืนได้ประจักษ์เพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสําคัญที่รับรองธรรมได้อย่างเป็นเม็ดเพียง คือถ้าอาสาก็เป็นธาตุกับไภโลกก็เป็นโลกไปธรรมเป็นธรรมใกล้เป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับหม้อถุงกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าพติดต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสการปฏิบัติก็เพื่อลื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมห่อหอมอันเป็นของจอมๆนี้ออกจากกันโดยการเพียรฝึกปฏิบัติทอด ความประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแหละเป็นอุบายวิธีที่จะรู้ถอนจิตปกคุมหงายจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชฌิมาคําว่าหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้กิเลสประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมอย่างการปฏิบัติท่านติณยก คือธรรมะที่ถูกนำมาเท่ากับโอกคือคือโลกปัญญาให้มีความชัดเลิศฉลาดคิดหลายเนี่ยหลายสรรหลายข่มอุบายวิธีการแก้ไขทั้งหมดต้องพลิกแปรเปลี่ยนแปลงหลายแน่หลายถ้าผมไม่นั้นไม่ทันกับพี่ที่มีความเหลี่ยมพลย์มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามกิเลสได้ธรรมะเครื่อง กําเนิดที่ประกาศความเพียรก็คือสติปัญญาเป็นหลักสําคัญมากทีเดียวมีได้ปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถไม่เห็นอันตรายวิ่งไปป่าสติปัญญามีประทามความพับเปลี่ยนเป็นเครื่องมือหลักสติปัญญาเป็นเครื่องมือบอกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอบส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้อยู่ลําดับ เอ่อคำปฏิบัติการกับคำนี้มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติกับการเป็นเรื่องทฤษฎีประเทียศัพท์แต่ว่าปฏิบัติศัพท์แต่ว่าเรียนไม่เรียนรู้หวังความรู้ทฤษฎีเป็นจริงน่ะทําแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยถึงไม่กระเทือนจิตลึกแค่นิดเดียวนั้นทะลอกนิดนึงก็ไม่ได้ ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสำสน์ศิริตมากเพื่อความสำคัญที่ตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนธรรมะมากนี่แหละความกลายเป็นศิริตขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้เพื่อความสำคัญให้ตนเองถ้าเรียนเพื่อจะรู้อัดรู้ธรรมจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาดใดนำไปพินิจพิจารณานำไปไตร่ตรองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งรายละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆพวกนั้นแหละชื่อว่าผู้ ปรยัติเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจบต่อเนื่องกันเรื่องข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆนี่ก็เป็นหลักฐานเพื่อปฏิเวธคือความรู้เคลื่อนแทงตลอดไม่ทําโดยลําดับลําดับธรรมะนี่อันปฏิเวธธรรมนี่ไม่หมายถึงมันจะรู้ทีเดียวครบถ้วนทันทีคือรู้ไปโดยลําดับลําดับ กรรมกําลังของสติปัญญาตัฏฐาคําเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งจริงทั่วถึงในกิจการนี้ไม่มีอันใดลี้ลับมันอย่ากว่ารู้ตรอบตัวถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกหนูนั้นไปจากใจซึ่งเป็นตัวสังสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมให้มองอยู่ตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั้นที่นี้การมีลังเวลา มีผู้ใดจะมาช่วยหรอกให้ตั้งอัตตาเหยียดกันลงหน้าโผเป็นที่พื้นของตนตัวนั้นแหละเป็นผู้จะถอนที่เพราะการจํากสงฆิริย์ไม่มีผู้ใดมาสังคมให้เราเป็นคนสังคมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไหร่ไม่ทราบนี้เราจะคอยให้ผู้ใดมาถอดถอนที่เหยียดประเทศต่างๆให้เราอัตถาคาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้กุมเห่หิตจักจําอาตตังความเพียง เป็นเครื่องแก่เผาที่เรียกให้ท่านทั้งหลายทําทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอูบาแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทําเองนี่ท่านสอนในอย่างนี้เราก็เป็นลูกศิษทาภรณ์ประหนึ่งว่าได้รับโอวาทขององค์อรหันต์อยู่ทุกปัจจุบันด้วยธรรมที่แสดงอยู่กับผม จะตั้งหน้าตั้งตาประสิทธิ์ปฏิบัติกันให้เกิดประเสริฐทั้งนั้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อปจิตังของคนของป่ะมีแต่เป็นโทษทั้งนั้นมากน้อยกว่าต่างถ้าไม่มีใครที่จะรู้ดั่งถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณดั่งชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกอริยผลท่านท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรม ท่านจึงนำมาสอนเรื่องความถูกต้องแน่นอนสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างห่มความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจแล้วทำไมจะไม่อยู่ถูกในธรรมที่ท่านสอนเพราะธรรมองค์ธรรมชาติที่มีรสภาคเนื้อผิดใดในโลกเข้าไปทำทำไมโศกิณัตเนี่ยเป็นธรรมทั้งนั้นสมบัติทั้งปวงเอามาทั้งปวงก่อนธรรมเนี่ยมีรสมีภาคอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรสมีภาค โหมมีตามมีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกล่าวแนะนําสอนสอนลึกขึ้นธรรมะนะโมตัสสะมุนสะระตุผู้มาใหม่ค่อยดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูโหมมีตามมีให้ดูให้เป่านั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูบาอาจารย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะอีก ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างสิ่งข้อวัดปฏิบัติตอนท้าธรรมยังมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอคันตุิกะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแท้เราเป็นพระธรรมพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําเพื่อกําจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกตา การทํามาศึกษาให้ศึกษาดีตั้งหน้าต่างๆประพฤติปฏิบัติทั้งจิตภายนอกทั้งงานภายในคือจิตตภาวนาให้ทําให้ถึงเหตุถึงผลถึงความกับความจริงเมื่อมรรคผลนิพพานจะพ้นอํานาจของความเพียรไม่ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรเกิดขึ้นไม่ท้อถอย การฝึกหัดอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในเรื่องภาวนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐานฐานที่ตั้งการงานคืออะไรอุตตานเจตสาลุมาลูมานะขาธินตาตตุตั้งแต่ว่ามันบ่ทราบทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนและปานหลังอย่างนี้เป็นสําคัญ ท่านจึงสอนตรงผมขนขนเล็บฟันมันมีทุกพันธฐานนี้คือของที่น่ารักมากต่อแก่ที่ใดนอกจากเป็นของปฐกูลโดยล้วนธรรมชาติทั้งนั้นแล้วเท่านั้นมันต้องจะทิ้งหนังคนเราเมื่อมันมีหนังแล้วดูกันไม่ได้ฮะความสวยงามมันมีเหลือแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติธรรมะไหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้น่ะท่านจึงสอนแต่เพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่ กำโพกซึ่งไม่ควรจะสอนเอามากมายแต่อย่างไรก็ตามประโจนั้นหนังคลอกหุบแนวกลางสันนิษฐานถลกหนังออกลงมาที่คนดูได้มั้ยดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วมองดูแล้วเป็นของปฏิคุณน่าเกลียดน่าเบื่อน่าหน่ายทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มคอนั้นเองหลงผิวบางๆคอกระดาษหรือผ่อใบรานมันก็ไม่ได้ แล้วแต่ว่าเราโง่ขนาดไหนมันก็ก็รู้อยู่แล้วว่าผีบางๆตอนนั้นเป็นเครื่องหลอกลวงก็ยังเชื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นบุพโลหิตน้ำหนองน้ำหนองเต็มเต็มหมดด้วยความประคูลนิภาชาติผิดดิแล้วพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกหลายตลบทบทวนทําไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประการในแต่ละบุคคลบุคคลถ้าพิจารณา ดังนั้นพุทธจะประกาศขยายออกไปถึงอาการสันนิษฐานการใดไปแล้วแต่ความพลัดในขณะที่ทรงราให้กําหนดแต่คําว่าพุทโธเป็นคําบริกรรมธัมโมสัมโพราชเราจะกําหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นด้านจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้น แต่รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปขาดใจหมายถึงไม่หมกมุ่นติดพันใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันยึดเมื่อได้อาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่ฟาดแตกไปในที่อื่นพร้อมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความ เย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องกล่าวฝึกขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอีกขอให้พากันไปในที่เดิมนะให้ได้ทรงมรรคทรงผลอย่าให้ยึดแต่ข่าวว่าพระพุทธกาลองค์นั้นทรงเดชอยู่ที่นั่นทรงเดชพระโสดาตสกิธามรรคอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลูกนั้นตรงนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูรากที่หมาแห้งเต็มตัว เพราะความเพียรไม่เป็นภาคศรัทธาไม่มีคนไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะมีแต่ศาสนาขาพังแต่ข่าวตัวอื่นขาของตัวไม่ไม่เรื่อยๆต้องแต่ขาขึ้นไปสวรรค์นิพพานกันขาเรามีประจมอยู่กับกิเลสนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลานะความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยนึงก็ยังมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยคอยที่อยู่ตรงนี้นอนใจได้ วิบากถ้าการปฏิบัติอย่างนี้มรรคผลนิพพานก็อย่างนี้คือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่ทั้งนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เลยเป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติเทศสถานที่ที่บังเพรนั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบําเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนณลุคโมลเถนานําชายก็ต่อ ภาวะแห่งยาวะทั้ง 3 ข้อกรณีโน้ตล้มไม้ท่าเขาทุกขมูลเนตป์ก็หน่วยยึดเขาที่ตรงไหนเป็นที่กระดกระบายจากการประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่ฉะนั้นไม่ทุกข์ท่านหุ้นบายกระดกจากการบําเพ็ญเพียรน่ะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นน่ะอยู่ภายในจิตใจก็อยู่ในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่า ก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็มีนิสัยวิสโสอันใดที่ผู้ย่อมต้องการมีเพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรทั้งหลายที่มีอยู่แล้วให้รับความประจวบยิ่งขึ้นไปอำนวยความประโยชน์มากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆจนถึงได้อหาผลเขาจดจ่อนอนอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดาพระผลท่านไม่มีที่อื่นได้ดูด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคือสวดขาธรรม ท่านตรัสแล้วชอบนี้ขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดโดยมรรคปุนิธานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอํานาจละหานมากีดกันหวงห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้รับผลเป็นที่พึงจักนอกจากเกศในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกางไม่ให้เรารู้เราเห็นมรรคปุนิธานบ้างเพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกิเลสมายาข้างหลังมีมากเกณฑ์จะทําฟังภพเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมันก็แสดงอุปสรรค ที่ฟังเข้ามาเสียทําให้ไม่เป็นเม็ดจําหน่วยกลัวจะจะล้มจะทานกลัวยังไม่หลับไม่นอนกลัวจะเป็นความลําบากถึงรู้แล้วท่านก็เป็นคนมายาของกิเลสเลยเป็นท่าเป็นทางทีนี้แล้วก็กอดกรรมฐานมีเฉยเพียรถ่ายเอามาณฐานตาประตูอยู่ในตัวของเราเราก็พานนั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยู่นั้นไม่ได้เลือกอะไรจากกรรมฐานดังที่ท่านสอนไว้ นความผิดพาลก็จะเกิดขึ้นกับการพิจารณารู้แจ้งนี้จริงในจุดนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ถ้าเป็นของรัฐคันมากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เหลือมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ได้ทําปฏิกาให้มีคุณค่านอกภายก็ทําให้เสื่อมคุณภาพของใจลงไปโดยประมาณ ทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลําดับตรงไปข้างถึงมีคุณค่ากันเป็นภูมิฉะนั้นเราไม่ได้มุ่งมหาศาลเพียงเรียกไม่มุ่งมาทําลายปิดแสงตัวที่ว่าคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออัตเพื่อทําเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลําดับตรงไปข้างถึงเต็มภูมิของการที่มีคุณค่าทั้งห่าเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสําคัญของความเพียรอยากลดละอยากท้อ มันปราทามันอยู่ทุกอย่างทุกคนใครเกิดมามันปราทามันมาพร้อมมันไปที่ไหนเกิดตัวตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวต่างนี่เพราะฉะนั้นตัวค่ําค่ําตราตัวนั้นตัวทุกข์ตัวลําบากมันอยู่ในนั้นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปข้างนึงข้างนี้ตายเมื่อตายในข้างปีเท่านี้เดือนมันอยู่ก็ลมหายใจพอลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งทั้งนั้นใดไม่นิยบเก็บกระทั่งสิกะตายได้ทั้งนั้นหมดหมดลมหายใจ แต่บรรดานี้ลงมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหน้าที่เรายังเป็นพระมีหน้าที่ทํางานอันเดียวคือการฝึกปฏิบัติกําจัดที่เดชอกจากทางจิตใจโดยไม่ต้องดูเดี๋ยวหุ่นวาต่อมาใดๆเลยควรที่เราจะขมักขมิ้นในงานของเราให้ถึงที่ตํารวจเห็นเหตุเห็นผลทางปฏิบัติใจได้สงสัยซึ่งมรรคบุญนิพพานดังครั้งที่ประการท่านจงเพราะเพราะปฏิบัติอันดีในงานสุปฏิอุทุญาณฐานมิจิตปฏิปัตโนนี่แหละ เป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นหมู่บุคคล 8 ก็มาถึงคนคนเดียวนั้นแหละจะเป็นผู้ถึงมรรคถึงผลนิพพานได้เภสัชพระโกโตสาวกสงฆ์นั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าไว้อย่างงั้นก็คือสาวกบดองสาวกอันแท้จริงมาตั้งแต่แต่แรกมาวันนี้พูดเป็นเต็มก่อนถ้ามันจะอธิบายเรื่องการ